Uthan <laughs> sar. ไม่ว่านั่งสมาธิหรือว่าการรักษาศีลการฟังธรรมแล้วก็ล้วนแต่เป็นกุศลกุศลหนึ่งก็เพื่อให้จิตสงบกุศลหนึ่งก็เพื่อ ห, หยุดการเบียดเบียน และกูตนหนึ่งก็เพื่อให้เกิดความรู้ในพระสัต์ธรรมนั่นก็คือความเป็นมนุษย์ของพวกเราจนถึงคำว่าจิตที่ไม่เศร้าหมอง จนถึงจิตที่ไม่มีทุกข์ฉะนั้นทุกอย่างที่ที่เราสัมผัสอยู่ไม่ว่าทางตาทางหูจะหมุกลิไกายใจ ถ้าเรามีสติก็คือการกำหนดได้รู้สิ่งนั้นได้เห็นสิ่งนี้ได้สัมผัสได้กระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงหย่อนหรือแม้แต่คำว่าสุขและก็ทุกข์อาตมาก็เคยกำหนดอยู่นะว่า ร่างกายที่มีสภาพสภาพทุกข์นะก็มันก็มีแก่เจ็บที่เห็นชัดเนะี่ยแก่เจ็บกับร่างกายที่มันไม่เที่ยงก็มีอาการแปรปรวนไปทุกอย่าง ปวดท้องบ้างหิวบ้างก็สารพัดนั่นเป็นของร่างกายที่มีสภาพอยู่แล้ววทุกข์ก็กำหนดรู้แล้วพอเรากำหนดในเรื่องของจิตในเรื่องของใจเราก็คือภายใน มันก็มีอีกสุขทุกข์กลุ่มใจดีใจเศร้าใจมันก็มีอยู่ภายในัจ น, นสัมภาพทุกข์ร่างกายก็มีโดยความไม่เที่ยงที่เรารู้กันอยู่และก็ภายในใจเราที่มีทุกข์ เราก็รู้มอนกันแต่ที่รู้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องไปยึดมันเพียงแต่เรารู้ว่ามันสุขมันทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์รู้กาย กับรู้จิตเมื่อรู้ชีวิตเราก็จะรู้แจ้งธรรมชีวิตของเรามันก็มีแค่นี้มีกายมีสุขมีทุก์มีรู้ในจิตในใจเราได้กลับอยู่กับสภาพธรรมทั้งหมดที่เรามีอยู่ ก็โดยความไม่เที่ยงทั้งหลายพอเราเข้าใจในสภาพธรรมนะคนที่เขารู้จริงทำไมเขาจึงบอกว่าเออให้ปล่อยวาง รู้จริงต้องบอกให้ปล่อยว่ารู้ไม่จริงก็บอกให้ยึดมัน่นรู้แบบมีทุกข์ก็บอกให้ยึดถือรู้แบบไม่มีทุกข์ก็บอกให้จิตนั้นว่างเปล่าเมื่อก่อนตรรมาก็สงสัยว่างเปล่าแต่จริงๆว่างเปล่านะ มันมีตัวรู้อยู่ไม่ใช่ว่าวางเปล่าแบบสมองกลวงไม่ใช่คําว่าว่างเปล่าก็คือเราว่างจากทุกนั่นเองเราว่างจากความชั่วร้ายเราว่างจากความเศร้าหมองเราว่างจาก ความคับแค้นใจเราว่างจากความเกลียดชังเราว่างจากความโกรธแค้นอะไรทั้งหมดจุดนี้จึงเรียกว่าคือความพ้นทุกข์คือจิตที่ว่างแต่ไม่ใช่ว่าจิตไม่รับรู้อะไรเลยเราบอกว่าว่างนะยางงั้นไม่ใช่ปัญญาอย่างงั้นไม่ใช่ปัญญา ในหลักพุทธศาสนาเราถึงปัญญาวิมุตติเรายังไม่เข้าถึงสภาพธรรมแต่เราก็พูดเราว่าว่างแต่เราไม่รู้ว่าว่างคืออะไรคนเรามันจะว่างจากเหตุผลมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรารู้ ในเหตุผลแล้วจิตเราจึงว่างจากความยึดมัน่นเพราะสุดท้ายเราก็มายึดผิดถูกกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วมันก็ใช่ใช่ตอนหนึ่งไม่ใช่ตอนหนึ่งถึงเ่าต้องใช้ปัญญาพิจารณาต้องพิจารณา ก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่พิสุได้ถกเถียงกันเรื่องวินัยแค่เรื่องที่แกขันน้ำได้คว่ำกับภาชนะขันที่ไม่ได้คว่ำไว้ก็ถกเถียงกันใหญ่พทธเจ้าก็มาห้ามบอกว่าให้หยุด มันไม่มีสาระเธอจะเอาแพชนะทำไมเอาผิดเอาถูกจุดนี้มันไม่ใช่ให้หยุดระงับอธิก่อนแค่ไม่ให้เกิดบีวัทถะให้หยุดเแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายฝ่ายวินัยกับฝ่ายธรรมก็ไม่ยอมกัน พระพุทธเจ้าเบื่อหน่ายก็ออกหนนะีไปอยู่ป่าเรนะ่ๆสุดท้าย้าบ้านก็ไม่ตักอาหารให้กินนะแล้วรู้ว่าพิสุทะเลาะกันก็คลายศรัทธาถ้าจะให้ อาหารรับบาทต้องไปนิมนต์พระพุทธเจ้ากลับมาอยู่เมื่อหลายวันอดนหมดแรงก็ได้สติขึ้นมาก็ไปนิมนต์มาโยมดูว่าเรื่องบางอย่างมัน มันไม่จําเป็นต้องไปมันไม่มีสาระไม่ได้เบียดเบียนไม่ได้ทำลายไม่ได้ให้ร้ายจะไปพูด้มันมากเรื่องมันก็เรื่องมากพูดได้มันเกิดเรื่องมันก็มีเรื่องถ้าไม่พูดมันก็ไม่มีอะไร มันไม่ได้อยู่ในปานาตินบาตาทิ น, นาทานกาเมหรือมูสา ห, หรือสุรา ห, หรือผิดในศีลข้อหนึ่งข้อใดมันก็ไม่ผิดแค่ว่าน้ำอย่างข้างภาชนะไม่ความกับความอ เ, เออในยุติเสีเหมือนบางคนก็มาทุกข์กับเสื้อเสื้อผ้านเนื้อหยาบเนื้อละเอียด สีนี้สวยสีนั้นไม่สวยก็ทะเลาะกันเอ้าอะไรสาระก็บอกว่าเราแค่รู้พอที่บอกบางอย่างมันถ้าเราไม่ใช้ปัญญาพอเรายึดมากเกิน มันก็ไม่ถูกถ้าไม่มีระเบียบวินัยเลยก็เป็นคนที่มักง่ายก็ใช้ไม่ได้อีกมันก็ถึงบอกต้องมีปัญญาแต่มาก็หานะครับว่าปัญญาในพุทธศาสนาอยู่ตรงไหนอยู่ที่ท่องพระไตรปิฎกจบเรื่องไงเรียนอภิธรรมจบ หรืออ่านพระสูตรทุกบทจบรู้ในสิ่งที่เขาเขียนมาแล้วนั่นแหละคือปัญญาแต่อกไม่ใช่นั่นคือพระหูสูตรผู้เรียนผู้คงจำมากผู้ศึกษาศิลปศาสตร์แล้วก็จำขึ้นใจแต่ยังไม่ใช่ปัญญาคือผู้เฉลียวฉล า, าด จดจำอะไรได้ง่ายแต่ยังไม่ใช่สุดท้ายธ่อมาก็ดูดูอะไรทุกดับแล้อยากถ้าทุกยังไม่ดับ คนฉลาดก็คือคนง่อคนที่เราว่างอง่อแต่ถ้าเขาจิตไม่มีทุกขเขาก็คือคนฉลาดยมจำได้นะพระจุลบรรทุกทึบงอความจำอะไรก็ไม่ได้ให้ท่อง แค่ให้พรยัถาสพภพนะีจําไม่ได้จนพี่ชายนี้อับอายไม่กล้าให้ไปกิจนิมนต์ที่ไหนตนเองก็ทุกข์นะไม่ใช่ไม่ทุกข์มันก็ไปไหนก็มันก็ไม่เหมือนเขา แต่ว่าศรัทธาก็ยังมีในการอยากปฏิบัติธรรมก็สุดท้ายก็บรรลุแค่ผ้าผืนเดียวง่ายไหมบรรลุแค่ผ้าผืนเดียวปาเช็ดหน้าที่พระพุทธเจ้าประทานให้ผ้าขาวๆรูปไปรูปมาก็มองคล้ำลง เกิดปัญญาเกิดยังไงปัญญาแค่รู้ว่าจิตเดิมมันก็ไม่ได้เศร้ามองที่มันเศร้ามองเพราะมันเกิดจากกิเลสตัณหาเหมือนเดิมดีผ้าก็สะอาดที่เศร้ามองก็เกิดจากสิ่งสกปรก มาแปดเพื้อนมนทินทั้งหลายใจก็อย่างนี้เองทะนั้นเราต้องรักษาจิตไม่ให้เปื้อนไม่ให้เศร้ามองไม่ให้ทุกข์อะไรทั้งหมดดูจิตให้จิตนั้นขาวรอบ ความหมายระลึกแค่นี้ง่ายๆรักษาผ้าไม่ให้สกปรกรักษาจิตไม่ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นอีกเมื่อทุกข์ไม่มีการปฏิบัติธรรมก็สิ้นสุดลงตรงนั้นดับใด ผู้รู้ทั้งหลายยังมีทุกข์อยู่การปฏิบัติยังไม่สิ้นสุดลงต่มาบอกโอ้โหบางทีเราว่ามันก็ไกลเกินที่เราจะรู้ได้นะแต่พอพูดถึงพุทธธรรมลึกๆแ ท, แท้จริงๆแล้วคำเดียวเอง ทุกดับฉะนั้นทุกคนทุกดับเลยอยากถ้าทุกยังไม่ดับคุณก็ยังไม่ใช่ผู้มีปัญญาแต่เป็นผู้มีความรู้มีความสามารถมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแต่ไม่ใช่ ขั้นปัญญาบิมุตแตมาบอกโอ้มันอยู่ที่ปัญญาตรงนี้เองทำไมมันสั้นจังเลยแต่ที่พูดอย่างนี้ยันหมายใจว่าจะทำได้แบบ มันง่ายเหมือนที่พูดมันยากเกินกว่าจะพูดแล้วบางทีมันง่ายเหมือนไม่ต้องพูดลึกลับเปิดเผยเปิดเผยลึกลับซับซ้อนเปิดเผยซ่อนเงื่อนเปิดเผยทุกอย่างมันเฉลยไม่เข้าใจ แต่เข้าใจจริงๆไม่ได้พูดเลยบอกพอเราภาวนาไปถึงจุดเนี่ยจกจิตนิ่งจิตสงบจิตวางจิตละจิตว่างตัวนี้เองนะที่บอก มันไม่เจ็บปวดจิตที่ว่างมันไม่เจ็บปวดจิตที่เป็นตัวตนของเราที่เราสร้างมันขึ้นมาภายในมันเจ็บปวดความทุกข์มันเกิดจากใจที่เรามีตัวตนอยู่แต่ถ้าเรามีใจที่ไม่มีตัวตน มีแค่ใจที่เป็นตัวรู้เนะี่ยแค่รู้ว่าทุกข์แต่ทุกข์นั้นมันก็แค่ทุกข์เมื่อผ่านไปมันก็คือผ่านไปจริงบอกว่าอดีต ปัจจุบันอนาคตเนี่ยใจรู้สุขทุกข์แต่ใจไม่ยึดในสุขทุกข์มันเป็นคําตอบที่บอกเลยว่าใจที่เรารู้เนี่ยเหมือนที่เราอยู่ตอนเนี้ยเราได้ฟัง เราได้เห็นเราได้รับรู้ต่างๆเจ็บแค้นเจ็บปวดรู้สึกมีโศกมีเศร้าทุกอย่างเรารู้หมดแล้วพอเราสร้างตัวตนเข้าไปเราก็ มีมันอยู่ทุกนี้ยังมีอยู่เจ็บมันก็ยังมีแค้นมันก็ยังมีเศร้ามันก็ยังมีเสียใจมันก็ยังมีเพราะอะไรก็ไปเพราะเราสร้างตัวตนของเราเข้าไปมีอยู่ภายในแล้วเราก็รับบทบาท ว่าเราเจ็บแต่ธรามะบอกจริงๆมันแค่รู้แต่ท่านไม่วางพอรู้แล้วไม่วางท่านรู้แบบมีอัตตาแต่ท่านไม่ได้รู้แบบอนัตตามันต่างกัน ทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าตัดสรู้ธรรมพระพุทธเจ้าทำไมบอกหลุดพ้นครั้งหนึ่งโยมจำได้ว่ า, วามีผู้ได้ทูลถามบอกว่าพระองค์เป็นเทวดาหรือบอกไม่ใช่ ถามทุกอย่างเป็นมารเป็นพรมเป็นอะไรบอกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเราเป็นพุท ธ, ธความหมายบอกชัดว่าเราเป็นพุท ธ, ธผู้รู้เตือนแต่เราไม่ได้เป็นอย่างอื่นเราเป็นเพียงผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานนันสรรพชีวิตที่เรามีอยู่ ถ้าเรายึดแก่ก็เป็นทุกข์เราไปทุกข์กับความแก่เจ็บก็ทุกข์เราก็ไปทุกข์กับความเจ็บจริงๆความเจ็บมันก็ทุกข์อยู่แล้วมันมีโดยสภาพทุกข์แต่ไม่มีความยึดมั่นจริงๆว่าร่างกายมันเป็นเพียงสภาพทุกข์ ที่ไม่เที่ยงแต่ทุกนั้นปรากฏให้เห็นอยู่และกำหนดได้แล้วก็รู้ได้พูเจ้าจึงสอนให้กำหนดเวทนาให้กำหนดรู้สุขทุกและไม่สุขไม่ทุกเรากำหนดไม่ว่ามันไม่เที่ยงเปล่าเรารู้แต่ไม่เที่ยง แต่ไม่เคยกำหนดว่าไม่เที่ยงที่ว่ารู้นั่นแหละรู้อะไรถ้าเรารู้ว่าไม่เที่ยงจริงเนี่ยใจรู้ว่าไม่เที่ยงก็ไม่ควรยึดแต่ทุกนี้มีอยู่โดยสภาพทุกข์จะมาไม่ปฏิเสธ กำหนดแล้วนั่งอย่างนี้เรานั่งดีเวทนาเกิดเจ็บร้อนเหน็บชาปวดไม่ใช่ว่าไม่ปวดปวดไม่ใช่ว่าไม่เจ็บเจ็บไม่ใช่ว่าไม่เหน็บชาเหน็บชารู้นี่คือสาภาพทุกข์ที่ทนได้ยาก กายถูกบีบคั้นจนทนไม่ไหวสุดท้ายก็แตกไปตามการอายุเวลาถ้าเราบังคับมันมากมันก็แตกเร็วมากทะนั้นจึงมีคำว่าอิริยาบถสี่มาช่วยเพื่อบำบัดเปลี่ยนอิริยาบถให้คลายจากเวทนา แล้วก็เกิดเวทนาอีกก็คลายไปอีกเรารู้ตรงนี้แต่ว่าเป็นความทุกข์โดยไม่เที่ยงมีแก่มีเจ็บแล้วก็ตายเราไม่ควรยึดมันใจที่บอกไม่ควรยึดมันนั่นแหละ นั่นและคือทำที่เป็นปารามิตไม่ควรยึดมัน่นถามว่าไม่ยึดมั่นอะไรสิ่งที่มีอยู่และสิ่งที่เกิดอยู่และสิ่งที่เสื่อมไปแล้วและสิ่งที่กําลังเสื่อมอยู่เดิมทีสิ่งนี้ก็ไม่มีแล้วก็มามี สุดท้ายสิ่งที่ปรากฏมีอยู่มันก็จะไม่มีแต่มาไม่สงสัยตรงนี้เห็นแล้วกำหนดแล้วสัมผัสแล้วแล้วก็รู้แล้วก็ต้องถามว่าเรามีตัวตนอยู่ในใจอีกไหมหรือแค่มีตัวรู้ในรูปในนามในธาตุในกายในขัดพิจารณาไปเถอ ถ้าไม่รู้เราก็รู้สึกเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจเจ็บภายในและเจ็บภายนอกเจ็บภายนอกแล้วก็เจ็บเข้าไปสู่ภายในแต่ามาบอกว่าป่วยกายใจใช่ต้องป่วยด้วยใจเป็นทุกข์บางทีกาย มันไม่มีเวทนาอะไรบีบคัน้นทำไมต้องให้มันเศร้าหมองไปด้วยกำหนดเลกกำหนดเวลาเจ็บป่วยไข้ก็กำหนดไอเรื่องความตายแต่มาเห็นแล้วล่ะไม่ได้อยู่ไกลจากพวกเราเท่าไร่และไม่เกินความจริงไม่ได้เกินความจริงเรื่องคำว่าตายมันก็อยู่ ใกล้ๆแล้วก็อยู่ในตัวเราฉะนั้นไม่ตกใจไม่ตกใจที่ว่าเรารู้เมื่อเกิดก็ต้องตายเราเข้าใจแล้วฉะนั้นจะอยู่ยังไง ให้ความตายนั่นน่ะมันไม่มีทุกข์ให้ความแก่ไม่มีทุกข์ให้ความเจ็บไม่มีทุกข์ให้ความพลัดพรากที่เราต้องเจอมันโดยไม่มีทุกข์และสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งหมดเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งนี้ทำยังไงถ้าทำได้นั่นแหละปัญญา ถ้าทำได้นั่นแหละคือปัญญาแต่ถ้าเราทำไม่ได้นั่นคืออวิชชาเราไม่รู้พระสัตธรรมยอมจะเรียนอะไรอีกทุกนี้ก็ยังไม่ดับมีอะไรทุกนี้ก็ยังไม่ดับรู้อะไรอีกทุกนี้ก็ยังไม่ดับแต่มาจึงบอกเออ อย่าติดในสิ่งที่จับต้องอย่ายึดในสิ่งที่มีอยู่ทั้งที่จับต้องและมีอยู่มันเป็นของเราโดยไม่เที่ยงมีความแปรปรวจมีความเสื่อมสลายมีความแตกดับมีการสูญเสีย มันเป็นเรื่องธรรมดาจิตต้องรู้อย่างนี้แล้วก็วางไว้พอวันหนึ่งเราเจอสิ่งนี้จริงๆไม่ตกใจเรารู้แล้วว่ามันจะต้องเกิดอย่างนี้ไม่ตกใจ ดันั้นโยมหรือผู้ภาวนาทั้งหมดถ้าเรายัางสร้างตัวตนสำคัญยึดติดอยู่มั่นหมายอยู่คนนี้จะนอนภาวากลัวตลอดเลยไม่สิ่งหนึ่งก็สิ่งนี้ ยิ่งมีมากเท่าไหร่ความกังวลก็กัดกินใจเท่านั้นไม่เคยอยู่แบบสบายเลยใจมีแต่สบายกายใจไม่เคยอิสระมีแต่สิ่งผูกเอาไว้พอเรากำหนดไปเรื่อย จึงถามภภาวนาได้อะไรต้องถามว่าได้อะไรถ้าเราไม่บอกว่าเราได้รู้แจ้งในพระสัจธรรมถือว่ายังไกลต้องตอบว่าเราได้รู้แจ้งในพระสัจธรรม ที่พระพุทธเจ้าชี้บอกฉะนั้นสุขก็รู้ว่าสุขสุขเป็นแบบนี้รู้แต่ใช่ต้องยึดมัตเพียงแต่รู้ว่าจิตเมื่อเกิดอย่างนี้เป็นสุขเวทนาไม่ใช่เป็นตัวตน พวกเรากําลังเข้าใจอะไรผิดพอมีความสุขนิดสุขหน่อยเราบอกโอ้ตัวเรามีความสุขเหมือนไม่อยากตายแล้วตอนไหพอความทุกเกิดมากๆเราอยากตายทําไมต้องเติมคําว่าเราเพราะอาวิชายังบอกว่าตัวตนสิ่งที่เกิดมันคือตัว ต, วตนของเรา ถ้าเป็นปัญญามันบปกสิ่งที่เกิดมันเป็นธรรมเกิดปรากฏดับสลายใหญ่ต้องมั่นหมายต้องบอกว่าจะถึงธรรมะอย่างนี้ยอมไม่ง่ายไม่ง่ายตรงที่ว่าใจนั้นต้องฝึกต้องฝึก ฝึกใจฝึกใจเราฝึกใจที่มีเราใช่เป็นเรายากฝึกใจเราที่เป็นเราใช่เป็นเราเึืงบอกสมมุติกับวิมุตติหลังมันชนกันอยู่นะปัญญากาบวิชา มันก็มือหน้ามือกับหลังมือธตรมาบอกโอ้เดินเช็คไกลใจอยู่นี่เองเอา้าวโยมยังไม่เคยเดินหาหัวใจธรรมะธรรมาไปหามาแล้วไปมาหลายกิโลเหมือนกันพระษัทธ์ทอยู่ไหนเดินหา โยมไม่รู้ว่าเมานี่ครั้งหนึ่งก็เหมือนคนเสียสติในธรรมเหมือนกันนะเดินหาธรรมะอยู่ไหนเดินหาปัญญาอยู่ไหนไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงเดินหาพระอรหันต์อยู่ไหน เพราะอะไรปอดใจเรานี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรเลยแม้แต่ธรรมะไม่มีเลยหาไปเรื่อยๆหาไปหามาไม่เจอชักท้อไว้ ทำท่าจะเข้าเกียร์ถอยแล้วนะพอดีมันไม่มีเกียร์ถอยก็โชคดีอย่างนะถ้ามีเกียร์ถอยทั้งมาถอยไปหลายกิโลเหมือนกันนะพอดีไม่มีเกียร์ถอยมีแต่เดินหน้าสุดท้ายก็เดินต่อไปยมรู้ไหถึงไหน เดินถึงหน้าผาไม่หยุดกระตกหน้าผาตายไม่หยุดกระตกหน้าผาตายจะเป็นม้าพยศก็ต้องหยุดจะวิ่งมาด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็ต้องหยุดถ้าไม่หยุดก็คือตาย ตายอมันเรื่องใหญ่งั้นหยุดเป็นเรื่องเล็กหยุดก่อนหยุดแล้วก็มองหน้าพาไปสุดเส้นทางเดินนี่หรือเส้นขอบฟ้าอยู่ตรงนี้ สุดแผ่นดินก็อยู่ตรงนี้เองสุดแผ่นน้ําก็อยู่ตรงนี้โอมีหน้าแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่ขอบฟ้าแถวนี้เองออเข้าใจแบบคนป่าหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรเข้าใจยังไงก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นก่อน ออสุดแผ่นดินก็คือหน้าผาสูงชันสุดแผ่นน้ำก็ที่หน้าผาสูงชันสุดทางเดินชีวิตก็คือหน้าผาที่สูงชันก้าวเดียวเท่านั้นแหละก็หมดทุกอย่างแต่ก้าวนี้ก้าวไม่ได้อาจหารยังไงยังไงก็ ไม่ควรใช้ความกล้าตรงนั้นที่จะก้าวลงไปต่อให้มีหมอกเต็มไปหมดมันก็ไม่ใช่วิมานต่มมาก็หยุดตรงนั้นยืนเสร็จก็นั่งนั่งเสร็จก็นอนนอนเสร็จก็ลุกนั่งนั่งเบื่อก็ลุกยืน ยืนเมื่อยก็นั่งนั่งเมื่อยก็นอนใช้สามอิรยายหมดยืนเดินนั่งม่รู้จะเดินไปไหนมันสุดขอบแล้วยืนนั่งแล้วก็นอนก็นั่งมองเมองสิ่งรอบตัวเรา ที่สุดก็ว่างเปล่าเราเดินมาผ่านมาทุกอย่างท้งการทะเลาะผ่านมาแล้วเสียงโหร้องก็ผ่านมาการถกเถียงก็ผ่านมาเห็นการเย่งชิงก็เห็นแล้วเข็นฆ่าก็เห็นมาแล้ว ทั้งโกรธทั้งโลภทั้งหลงก็เห็นมาแล้วแล้วถ้าเราตายตอนนี้เราได้อะไรก่อนที่จะกระโดดแค่นั้นเองไม่เห็นมีอะไรถึงบอกถ้าคนเห็นความตายแล้วเกิดสติ เห็นการเดินของชีวิตหมดเส้นทางที่จะเดินแต่มาว่ามันคุ้มนะอาโยมเคยได้ยินบอกว่าสุนัขจนตรอกนะมันก็จะหันกลับมาสู้เผื่อจะรอดคนเนี่ยมันจนทางจะเดินไม่มีทางจะเดินมีแต่ตาย ที่อยู่ข้างหน้าแล้วมันจะเดินไปข้างหน้ามันไม่เดินหรอกมันก็หันหลังเดินกลับไปที่ที่เคยมาแต่ไม่ได้เดินแบบที่เคยเดินกลับไปเพราะหัวใจมันเปลี่ยนไปความคิดทิฏฐิมันเปลี่ยน ศีลธรรมทั้งหมดมันได้ยกขึ้นใหม่มันเปลี่ยนมะมันเปลี่ยนมันบอกเราหลายอยา่างเพื่อนตายมันเป็นลมปากพี่น้องเมื่อยามจากก็ไม่มีใครช่วยใครได้คนรักเมื่อยามพัดพลาด ก็มีแต่ความห่วงหาอาทรได้นั่นเองที่สุดมันก็คือจิตดวงเดียวที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะทุกข์นี่เองเห็นไหมกว่าจะได้คำคาขึ้นมามันไม่ใช่ง่ายที่สุดจิตดวงนี้เอง ท่องเที่ยวอยู่ทางสายเปรี่ยวจนถึงเข็มความตายแล้วแต่อายุไขยังไม่สิน้นมาจุราชเขายังไม่เอาไปเมื่อเดินไปข้างหน้าไม่ได้ ก็ต้องย้อนกลับไปเส้นเดิมเอาละโยมบัวมันเกิดจากโครนนะแต่ดอกบัวไม่ได้ติดโครนชีวิตที่เราผ่านมาไม่มีอะไรเลยน่ายึด ต, ติดไม่มีอะไรน่าพิศสวงไม่มีอะไรเลยที่น่าหลงไหลกับมันสักอย่าง แตมาเป็นคนโชคดีอย่างนะคือไม่มีอะไรเลยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันน่ายึดติดนะเออในความโชคร้ายก็มีความโชคดีอยู่ไม่มีอะไรต้องห่วงและไม่มีอะไรที่ห่วงเราเลยนี่คือความโชคดีในความโชคร้ายในความโชคร้ายก็มีความโชคดี ดีเหมือนกันจิต ด, ดวงเดียวท่องเที่ยวแต่มากด้วยฝูงชนแล้วถามว่าจะพึ่งใครเกหน้าขึ้นมาพ่อตายแม่ตายพี่น้องแยกแย้ายเพื่อนฝูงแยกแย้ายเพื่อนตายที่บอก ันตายกันไม่กี่วันกี่เดือนมันก็แยกกันหมดที่เหลือก็คือความตายจริงๆเท่านั้นเพื่อนเป็นเด็กกระชุดหนึ่งเป็นหนุ่มสาวก็ชุดหนึ่งยามวัยแก่วัยทองก็ชุดหนึ่งนะเปลี่ยนไปเหตุผลมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยถนนหนทางมันก็เปลี่ยนเส้นทางชีวิตมันก็เปลี่ยนไปชะตตามันก็เดินไปเรื่อย จมาเดินกลับไปใหม่เดินกลับไปไม่ได้แบกคำพีไม่ได้แบกกระบี่ไม่ได้พกมีดพกปืนมีแต่ที่ตัดเล็บเท่านั้นกับใบมีดโกนไว้โป่งผมไม่ใช่อาวุธนะเดินกลับไปใหม่ จากสิ่งที่จากมาแล้วด้วยใจไม่อ่าอะไรเพราะไม่มีอะไรที่อ่าอะไรโชคดีจริ ง, รงชีวิตเ่งสวยมันเป็นสิ่งโชคดี อ, อ้าโยมอยากเข้าใจนะว่าทุกอย่างมันจะเลวร้ายไปหมดสิ่งที่ดีว่าทุกอย่างมันจะ ดีไปทุกอย่างทุกอย่างมันมีจุดสองแง่โยมยังไม่รู้จักชีวิตเหงื่สวยนะมันมันจะมีจุดของแต่ละคนพอวันหนึ่งมันละลึกได้ขึ้นมา มันจะเปลี่ยนหมดถึงว่าความอดทนนะมันทำให้คนนั้นเป็นยอดคนขึ้นมาความตกต่ำของชีวิตคนเมื่อเราผ่านพ้นมันได้มันก็ไม่มีอะไรจะเลวร้ายกว่าที่มันผ่านมาแล้วมันก็คือภูมิที่ป้องกันชีวิตไม่ให้ตกต่ำไปกว่านี้อีกแล้วนะ แต่มาบอกเออในความโชคร้ายมันก็มีโชคดีอยู่นะดีแล้วเมื่อเราไม่มีใครเป็นที่พึ่งเราก็พึ่งตัวเองนี่คือความโชคดีที่ตรงกับธรรมของพระพุทธจเจ้า ถ้าเรายัางพึ่งคนนั้นคนนี้ได้เราก็ยังอ่อนแออยู่เราจะกลัวนั่นกลัวนี่เมื่อคนนี้ไม่อยู่เราจะอยู่ยังไงเมื่อคนนี้ไม่ช่วยเราแล้วเราจะอยู่ยังไงเราอยู่กับความกลัวเราอยู่กับความหวังที่เราหวังพึ่ง ชีวิตอื่นก็แต่เราไม่เคยสร้างความหวังให้กับตัวเองที่พึ่งตนเองแต่มาบอกคนนี้ยังไม่ได้เข้ามาใกล้ธรรมะ <Yeah. S 1> พอเราเข้ามาใกล้ธรรมะแล้วเรารู้สึกความอ่อนแอทั้งหมดทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมาน้าตาที่ไหลทั้งหมด มันก็จะไม่มีอะไรในหัวใจที่ต้องเจ็บอีกแล้วเออมันดีอย่างนี้เองมีหน้าบองยาขมพอผ่านกลืนลงไปมันกลายเป็นยารักษาแตมาบอกสัจธรรมชีวิตเช่นนี้เองคนที่เคยโทษแต่ตัวเองหรือโทษแต่คนอื่น มันก็จะหยุดหยุดแล้วความคิดทั้งหมดมันยุติลงตรงนั้นดูการกระทำดีกว่าอย่ามาแต่โทษคนนั่นคนนี้อยู่เลยแต่มาไม่รู้ว่าปัญญาเกิดยังไงแต่ที่รู้ว่าความคิดมันเกิดใหม่จิตใจมันเปลี่ยนใหม่ได้ใครว่า ใจเปลี่ยนใหม่ไม่ได้คนนั้นรู้ไม่จิกนี่น้าบอกมิจฉาทิฏฐิบังปัญญามานทิฐิฆ่าตัวเองรู้แลวความถือตัวเองก็คือสิ่งนี้เราฆ่าตัวเองความเห็นผิดทำให้บังทุกอย่าง ดีเป็นชั่วผิดเป็นถูกดำเป็นขาวมารเป็นพระมันกลับไปหมดตลัดทุกอย่างเห็นไหมมันค่อยๆบอกเราประสัท์ธรรมไม่ใช่เรียนตามสูตรแต่มันเป็นสัจจะชีวิตบอกความจริงพอเรารู้ว่า ใจเราไม่หลอกตัวเองและไม่หวังพึ่งคนอื่นแล้วก็นั่นแหละเริ่มปฏิบัติธรรมพึ่งเริ่มเท่านั้นนะพึ่งเริ่มเพราะเวลาจะบรรลุไม่ใช่ใจคนนั้นบรรลุใจของคนนี้ก็คือตนเองที่ละตนเองได้จึงบรรลุ ตนเองที่ละตนเองได้จริงบรรลุฟังอยู่กายหยาบกายละเอียดจิตหยาบจิตละเอียดทำที่เป็นอภิชาฝ่ายหยารรมที่เป็นปัญญาฝ่ายละเอียดถึงบอกเออเมื่อเขายังไม่ให้ตาย เราก็ได้สติเมื่อโง่ถึงที่สุดก็ไม่มีอะไรที่ต้องโง่แล้วเมื่อไม่เคยใช้ความเห็นความคิดอะไรบัดนี้ต้องรู้จักคิดพิจารณาเมื่อก่อนมองเรามองไม่เห็นความจริง หูได้ยินก็ไม่รู้แยกไม่ออกว่าอะไรจริงอะไรเท็จใจก็แยกแยกไม่ออกว่าฝ่ายไหนกุศลอกุศลหรือไหนธรรมหรืออาธรรมยมเชื่อไม่ในสองคนพูดเรื่องตรงกันข้ามยมจะเชื่อใครสองคนนี้บอกดีทั้งนั้นเลย แต่เหตุผลไปคนละทางกันโยมเชื่อใครในสองค น, นว่าใครจริงใครเท็จหรือเท็จคนละครึ่งจริงคนละท่อนโยมใช้อะไรฟังใช้หูฟังคิดตามหรือใช้ใจรู้หูฟังแต่มาตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ เพราะอะไรพ่อไม่รู้ว่าโยมจะคิดยังไงวันนี้อาจจะบอกอย่างนี้พรุ่งนี้โยมอาจจะเปลี่ยนก็นได้จริงบอกว่าเราสรุปคนอื่นไม่ได้แต่เราสรุปรู้ที่ใจเราได้ พูดเท็จและเป็นไงพูดจริงและเป็นไงเท็จจริงคืออะไรพูดมาเพื่ออะไรแก้เราเป็นฝ่ายนั้นหรือฝ่ายนี้หรือให้เราเพียงรับรู้หรือเราต้องมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรแต่มาเชงบอกมนุษย์ใครพูดด้วยความจริงใจ ใครพูดเพื่ออะไรจะมาบอกเหตุผลมนยนกว่าจะสิ้นสุดความยึดมัน่นไม่รู้ต้องใช้ชาติเท่าไหร่ภูมิเท่าไหร่น่ากลัวเหตุผลเพื่อสิ่งนั้นเพื่อสิ่ง ธรจบอกตอนนี้เรารู้แล้วเหตุผลของใจเราเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเหมือนคนนี้หรือคนนั้นแต่เราใช้ใจเนี่ยอยู่กับธรรมะนี่คือเหตุผล ใช้วาจากับร่างกายอยู่กับศีลธรรมนี่คือเหตุผลและใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นอิสระให้ได้มากที่สุดนี่คือเหตุผลและก็สุดท้าย เราไม่มีเหตุผลที่ต้องยึดกับความทุกข์แต่ความทุกข์นั้นมีอยู่โดยเหตุและก็ผลใจรู้หรือไม่รู้ใจไม่รู้หรือใจรู้แต่มาตอบแทนใครไม่ได้แต่ใจของเรารู้ที่ใจของเราเกิดหรือดับยึดหรือวางว่างหรือวุ่น ตอบแทนกันไม่ได้มีหน้าพู้เจ้าบว่าให้กำหนดรู้ที่ใจสัพพสิ่งทั้งหลายเกิดที่ใจสัพพสิ่งทั้งหลายดับก็ที่ใจเหมือนความแค้นใช่เกิดมากับกำเนิดหรือกำเนิดมา ใจเราเป็นผู้สร้างไม่มีเหตุอื่นจะดับถ้าไม่ใช่ใจเป็นผู้ดับต่มาบอกเข้าใจแล้วเกิดดับอยู่ที่ใจโยมอยู่ที่ใจอัตมาตอนนห้มองไปเรื่อยๆสุขทุกข์เกิด อยู่ที่ใจโยมใจยึดหรือเจา้าว่าใจโยมจะรู้อัตตาตัวตนเกิดมีอยู่ที่ใจหรือดับที่ใจใจโยมก็จะรู้ที่บอกใจเหลือแค่คำว่ารู้แต่ไม่มีคำว่ายึดมั่นหมายนั่นคืออิสระ จะมาบอกเออที่แท้ธรรมะสอนให้มีชีวิตแล้วก็วางสอนให้รู้ว่าสุขเป็นอย่างนี้ทุกเป็นอย่างนี้ไม่สุขไม่ทุกเป็นอย่างนี้แต่อย่ า, ย, ายึดมันมีหน้า เราสร้างตัวตนในขนาดที่สุขโดยเราลืมเราสร้างความทุกข์ขนาดที่เกิดโดยมีตัวตนที่เราไม่ตั้งสติไว้บอกเออยิ่งภาวนาไปจะให้ใจนิ่งเหมือนน้ำหรือไหลเหมือนน้ำ หรือว่างเหมือนอากาศหรือสว่างเหมือนแสงอาทิตย์หรือจะมืดมิดตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้มันอยู่ที่คนคนน่ะถึงบอกหลับตายโยมเห็นอะไรใช่ต้องบอกคนอื่น แต่ลืมตาจะเห็นพร้อมกันแต่หลับตาเห็นไม่เหมือนกันสักคนยมหลับตาใหเห็นอะไรมันเป็นภูมิของจิตแต่และดวงแต่และดวงแต่และดวงหลับตาเห็นอะไร ภายในใจรู้อะไรทั้งหมดมีหน้ามีธรรมะวะปั จ, จัตต่างพึงรู้เฉพาะตนเองโยมฝึกไปเรื่อยๆภาวนาไปพอถึงจุดหนึ่งโยมจะเดินไปถึงหน้าผาที่จะมาเล่าไว้ฟังเมื่อกี้หรือแสดงให้ฟังถ้าก้าวอีกก้าวหนึ่ง แสงว่าโยมไม่ยอมหยุดนั่นก็ยังไม่ใช่เมื่อเห็นภัยใหญ่ไม่หยุดธรรมาเห็นภัยที่พูดตรงนั้นธรรมาจึงบอกเป็นหน้าผาเลยต้องหยุดธรตมมาเห็นภัยจริงๆแต่ธรรมาเปรียบมันหน้าผา ทุกอย่างถ้าไม่หยุดเราก็สะดุดตัวเองแล้วก็ตกหน้าผาตายต่อยมหอบอะไรมามันก็ไม่มีอะไรจะบรรทุกอะไรมาเข็นลงสู่หน้าผามันก็ไม่มีอะไรทั้งหมด ตำมาบอกออชีวิตทรัพย์สินมันก็แค่คือพื้นดินเท่านั้นเองยมยินดีกับสิ่งนี้หรือชีวิตทรัพย์สินมันก็แค่พื้นดินสุดท้ายนะแต่ถ้ายังไม่สุดท้ายนะ มันมีเหตุผลเยอะแยะก็ขอยุดตินะการบรรยายแต่เพียงเท่า น, นี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทิน